สุดท้ายมันก็คือรักตัวเองนั่นแหละพวกนักปราชญฝรั่งเนะี่ยมันเคยคิดกันไว้บอกมนุษย์เนี่ยอยากเป็นอมตะเพลโตบอกอยากเป็นอมตะเพลโตหรือโซเครติสัำไม่ได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอมตะได้มนุษย์เลยต้องมีลูกรู้สึกลูกก็คือตัวเองงั้นความรักลูกก็คือความรักตัวเองนั่นแหละเพื่อจะให้ตัวเองเป็นอมตะไม่ตาย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 มีตาก็เห็นของสวยบ้างเห็นของไม่สวยบ้างมีหูก็ได้ยินเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างเสียงที่เพราะบ้างเสียงที่ไม่เพราะบ้างเสียงที่เพราะของคนหนึง่งอาจจะไม่เพราะของคนหนึ่งก็ได้มีคนหนึ่งชื่อพงเชษชื่อ อ, องค์คล้ายๆเป็นน้องร่วมสาบานหลวงพ่อนะไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตลอดก็คเคยเล่าให้ฟังบ้านเขาอยู่ใกล้ตลาดสำย่านวันหนึ่งเข้าไปในตลาดนะ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 คือศรัท ธ, ธาของพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ใช่ศรัท ธ, ธาที่กลับกลอกส่วนศรัท ธ, ธาของปุถุชนกลับกลอกกลับกลอกตลอดเวลาเพราะยังไม่เห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนต่อบันไดเราภาวนาจนเราเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะศรัท ธ, ธาแน่นแฟนเลยไม่ใช่ศรัท ธ, ธาเพราะน้อมใจเชื่ออีกต่อไปละ ดันัศรัทธาที่มั่นคงนี่ท่านเรียกว่าอาจาระศรัทธาอาจละอ อ, อ่างจจานลลิงอาจาระศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงหลายปีมาแล้วนะหลวงพ่อมนตรีเคยคุยกับหลวงพ่อบอกพระโมทอย่าเชื่อศรัทธาของคารวะนะเราก็แอบต่อในใจศรัทธาของพระด้วย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 ถอยออกมากิเลสถูกทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ซ้ำไปหลายหายทีก็จะเห็นกระบวนการได้ครบถ้วนมากขึ้นมากขึ้นการเกิดอริยมรรคก็มีกระบวนการของการเกิดไม่ใช่อยู่ยเ ๆ, ๆเพราผู้บูบบ้าๆก็บอกเกิดอริยมรรคเนีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมากๆาบางคนเกิดตั้งห้าครั้งหครั้งสิบครั้งเนีจิต ด, ดับรูปลงไปยี่สิครั้งแล้วผ่านโซรถยานเท่านั้นครั้งเท่านี้รอบอะไรเงี้ย opio.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 ใจไม่เป็นประคองไว้เงั้นประคองแล้วก็จ้าๆอย่างนี้มันหมายความว่าเราเราทำเอาไวอ้<ร>อย่างนี้เราไปทำไว้เราไปสร้างภพขึ้นอันหนึ่งนะภพอันนี้ก็คือมันจ้าจ้าไปจิตอยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกแล้วก็จ้าจ้าแล้วเราก็ไปพอใจอยู่ในความจ้านี้พราะในความจ้านี้ดูเหมือนไม่มีทุกข์ดูเหมือนไม่มีทุกข์หรอกไหมค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละที่พ้ทุกข์ที่พึ่งที่อาศัยเราก็ไปสร้างภพอันนี้ขึ้นมา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 ตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วเงั้นไปทำอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้แต่เราปฏิบัติไม่เลิกเราะงั้นเราจะเล่นแมวเราเห็นจิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยถูกแมวข่วนแล้วชักโมโหอะไรเงี้ยเราก็รู้ไปได้วยเราไม่ได้เลิกปฏิบัติเราเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆหรือว่าเรานั่งสมาธิอยู่หมดเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้เลิกปฏิบัติงแต่เราปฏิบัติในหลายๆอิริยาบถไม่ได้ปฏิบัติในอิริยาบทนั่งอย่างเดียวนะ อย่าเลิกนะค่ะแล้วเมื่อเช้าไปเดินก็ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูใจ ừ ừ ใจก็ไม่เป็นกลางอยู่ดีอ่าดีต้องอย่างนั้น <c oughs> ไปเดินแล้วก็ดูได้อย่างนั้นแหะดีที่สุดเลยนะไม่ทราบว่าจะกราบขอความกรุณานะท่านชี้แนะนี่ไงแนะแล้วไปเดินอย่างนั้นแหละกราบนมัสการค่ะเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อเป็นคนที่พูดแล้วฟังยาก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 ลงหน้าเฮ้หนาวกับหลงคนละอนันอนั่นนนไปนั่งตักแดดมันหนาวจริงๆริงอ่ะกลับเรียนหลงพ่อครับก็วันนี้รู้สึกว่าใจมันโล่งกว่าเมื่อวานนะครดีใจมากมันจะกลับบ้านเรือไคิดว่าไม่เกี่ยวอครับเหออครับใช่วันนี้ภาวนาดีขึ้นะคือเมื่อวานที่กลับเรียนขอวงพ่อไปว่ารู้สึกว่าใจมันรู้นอกๆครับก็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 มันเป็นของมันเองเน่ยคือคือแต่วินาทีนี้รู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ใช่เราทำมันต้องเป็นต้องเป็นจิตเขาทําเอง <S <S เอ อ, อนั่นเห็นไหมจิตไม่ใช่เราหรอกครับเขาทำของเขาเองถ้าเป็นถ้าเป็นเราทําให้โล่งมันจะโล่งได้สั้นมากก็เดี๋ยวมันจะกลับมาทําทันทีมันเป็นโล่งปลอมครับ <C lar m> <c oughs> ไม่ใช่ของจริงหรอกเป็น <C lar m> ของที่เราปลุงขึ้นมาก็เป็นพบอันนึ่งพบบ้างๆ <C lar m> งั้นโล่งที่แท้จริงนะโล่งเองแนหะโล่งแล้วมีความสุขรู้สึกไหมใช่ครับโอ้ภาวนาเก่งเนาะใช้ได้เลย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 ไม่ใช่ว่าไม่ให้หรอกเพราะงั้นพวกเราอย่าให้อาหารเลยนะมันสร้างภาระต่อไปวัดเต็มไปด้วยหมาขี้เลื้อนเนี่ยจะลําบากมากเลยแล้วพระเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะพระไม่รู้จะสู้กับหมาอ ย, ย่างไงนะเพราะหมาเป็นขี้เลื้อนจะเรียกเทศบาลมาจับก็เรียกไม่ได้ <c oughs> งั้นเราอย่าไปให้อาหารมันนะเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์